พระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีพระที่ในนาว่าภิกษุบริษัทก็ดีซึ่งแยก จ, จากกันกับที่ว่าพระสาวก ที่เป็นแสะนะของพวกเราทั้งหลายด้วยมาคือเป็นแสะนะของชาวพุทธมาจนรทั่งปัจจุบันนี้ไม่ใช่ผู้ลืมหลืล่นตัวไม่ใช่ผู้เลือเฟือ ไม่ใช่ผู้ฟู้งเฟ้อเหือหรรึงพื้นฐานของท่านักาจะเป็นอยู่ด้วยความฝืดเคืองตามสายตาของโลกแต่เป็นความ ส, ม, สมบูรณ์และความพอดิบพอดี สำหรับทำเราจะเห็นได้จากการดำเนินของท่านเป็นนสั่งสอนสาวกให้ประยุกสถานที่ท่านทรงสั่งสอนให้ประยู่เหล่านั้นไม่ใช่สถานที่เหลือเฟือฟุม่มเฟือย ไม่ใช่สถานที่ให้เกิดการลืมเนื้อลืมตัวฟุ้งเฟ้อเหือหืแต่เป็นสถานที่ตรงกันข้ามทั้งนั้นแน้พระสาบกที่ออกมาจากพระพุทธเจ้าก็ชาติชั้นวรรณะต่างกันพระพุทธเจ้าเองเราก็ทราบแล้วว่าเท่าเป็นกษัตริย์ พระสาวกที่เป็นกษัตริย์ก็มีเป็นเศรษฐีกุุภีเป็นเสนาบดีจนกระทั่งถึงขั้นคนธรรมดาท่านเหล่านี้เวลาออกมาจากสกุลแล้วเปลี่ยนแปลงทั้งความเป็นอยู่เปลี่ยนแปลงทั้งความรู้ความเห็น เปลี่ยนแปลงทั้งความประพฤติการขบการฉันการใช้สอยการอยู่ในที่ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปหมดจากสกุลของท่านหรือจากความเป็นคารวาสซึ่งมีฐานะ ต, าต่างๆกันเข้าสู่กรอบแห่งธรรมของพระพุทธเจ้า คือความมักน้อยความสันโดษความสามากน้อยจะมีมากเท่าไรก็ยินดีแต่น้อยเท่านั้นสันโดษรองลงมาก็ยินดีเฉพาะสิ่งที่เกิดที่มีไ ม, ไม่เสาะไม่แสวงไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายครับสิ่งที่ไม่เกิดไม่มี ชอบวิเวกสร้งหักไม่ผูกข้าวุ่นวายกับรูปเสียงกิน่นรถเครื่องสัมผัสที่เป็นไปเพื่อการสั่งสมกิเลสแต่ชอบสัมผัสสัมพันธ์กับรูปเสียงกิน่นรถเครื่องสัมผัสที่เป็นไปเพื่อการส่งเสริมอัตถงรูปก็ต้นไม้ภูเขาดูแล้วชื่นตาชื่นใจ ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะพอกคุณีิเลสขึ้นมาแต่เป็นสิ่งที่ที่จะให้เกิดความรื่นเรองในธรรมทั้งหลายเพราะป่าเขานั้นเต็มไปได้วยสิ่งที่น่ากลัวสัตว์ร้ายต่างๆ่างมชอบมีอยู่ในป่าในเขาเช่นนั้นเสียงกระเสียงนกเสียงกายิ่งกว่านั้นกระเสียงสัตว์ร้าย ผู้มุ่งทมอยู่แล้วเสียงสัตว์ ร, ร้ายก็กลายเป็นธรรมขึ้นมาได้เสียงเสียงเสือร้องครางรึกกระหึ่เสียงสัตว์เสียงสัตว์ที่เป็นไผ่ก็กลายมาเป็นธรรมได้ด้วยการพินิษฐ์พิจนนารณาโดยความเป็นธรรมมีสติปัญญาไก่กลองเสียงทั้งหลายเหม่นนั่น ให้เกิดโอชาลดขึ้นมาภ า, ายจในจิตใจความกระหารก็ปรากฏขึ้นความเห็นภัยในสิ่งทั้งหลายซึ่งเคยเห็นภัยแบบโลกโลกก็กลายมาเห็นภัยในด้านธรรมะขึ้นมาจึงเป็นเรื่องพ่อภูมิทาขึ้นภ า, ายจในจิตใจเพราะรูปเพราะเสียงลินไออะไรก็พิจารณาเข้ามา เป็นอัตเป็นธรรมสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายเลยกลายเป็นธรรมไปหมดเพราะจิตใจมุ่งต่ออัตต่อธรรมเป็นพื้นฐานอยู่แล้วทางดำเนินของพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นาศาสดาก็ทรงดำเนินเช่นเดียวกับที่ทรงสั่งสอนสาวกให้ปฏิบัติตาม การเสด็จออกไม่ใช่เสด็จออกสู่บ้านนั้นเมืองนี้เพื่อความรื่นเริงบันถึงเพื่อความสนุกสนานสบายแต่เสด็จออกเพื่อความเพื่ออัดเพื่อทำซึ่งจะต้องได้ฟันฝาความทุกข์ความทรมานทั้งหลายซึ่งเคยได้รับความฝุกมาแต่ก่อนทั้งนั้น ไม่ได้พูดว่าแทบทั้งนั้นความเป็นอยู่ของกษัตริย์อยู่ในป่าในเขาหาขอทานเข้ามาสวยอย่างนั้นกลับในราชาวาังของพองผิดกันอย่างไรเรื่องนุ่งห่มใช้สอยที่อยู่ที่อาศัยเป็นสภาพของคุณนาถาทางนั้น ไม่เป็นถ้าไม่เป็นการทรมานพระองค์ให้รับความลำบากจะเป็นการทำความสะดวกสบายให้แก่พระกายได้อย่างไรแต่สำคัญที่พระไทยของพระพุทธเจ้าจงมุ่งมั่นต่อทำอย่างแรงกล้ายื่งทุกข์ขนาดไหนก็สู้เพื่อเอพื่อทำโดยไทยเดียว ตนได้จัดสรู้ขึ้นมาในพระประวัติก็แสดงไว้แล้วว่าหปีการ ถ, กถูกทนทุกข์ทรมานอยู่ถึงหปีนั้นไม่ได้เป็นทุกข์ทรมานอย่างธรรมดาเหมือนนักโทษในเรือนจําที่เราได้เห็นกันอยู่นี้มีข้าวก็ได้กินที่อยู่ที่หลับที่นอนถึงเวลาเวลาก็ได้หลับได้นอนสะดวกสบาย น่าจะไม่มีอิสระในตัวแต่ก็ไม่ได้รับความลาบากเหมือนพระพุทธเจ้าที่สเสด็จออกทรงผนวดและบำเพ็ญอยู่ในป่าดังที่มีในตำนาะนั้นนั่นเป็นเรื่องทุกเรื่องลางบากอยู่ตลอดอียาบททั้งสิถภาในพระทัยก็ต่อสู้กับ ข้าสึกซึ่งเป็นภัยซึ่งมีอยู่ภายในพระจิตนั้นจะมีเวลาละสะดวกสบายที่ตรงไหนเนี่ยปฏิปทาของพระพุทธเจ้าการต่อสู้กับฝ่ายต่ำเพื่อทำฝ่ายสูงและเพื่อความหลุดพ้นอันเป็นความประเสริฐหรือทำประเสริฐนั้นจังต้องได้ฟันฝ่า กับสิ่งชั่วช้าละมกซึ่งกีดขวางหรือหุ้มหอ่อห้อมล้อมอยู่ทั้งส่วนร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่เต็มฐานควรอยู่ก็อยู่ควรตายก็ต้องตายดังพระองค์สรุปสามหนนั่นถ้าไม่ฟื้นก็ต้องตายดูย่นะประพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาของพวกเรา ท่านสบายไหมคนสลบสบายที่ไหนไม่ฟื้นก็าตายพี่บ่าความทุกข์ความลำบากถึงขั้นสลบทรงได้รับความทุกข์ทรมานอยู่นั้นถึงหกปีนักโทษในเรือนจำสู้ไม่ได้เริ่มความทุกข์ก่อนที่จะจากสลู นี่แหละความเป็นมาของศาสดาที่วัาพุทธทังสนงังกฐามีของพวกเราให้ยึดไว้เป็นหลักใจทางเดินเพื่อผ่านพ้นจากทุกข์ทั้งหลายเดินอย่างนี้ไม่ใช่เดินด้วยความสะดวกสบายหัวแต่ความทุกข์ความลำบาก ท, ที่สามารถ ถูกต้องร่างกายแต่ไม่ได้กลัวทุกข์ที่บีบคั้นภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานับกับนับกันไม่พ้นได้เลยก็เป็นความเห็นความรู้ความเข้าใจที่สวนทางกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นสิ่งที่สวนทางกันร้อยเปเซกับธรรมของพระพุทเจ้าถ้าไม่ใช่กิเลสจะเป็นอะไรไป กิเลสพาผู้ใดให้ดีพาผู้ใดให้รับความสุขความสบายคนมีกิเลสหนานหนาเป็นคนเลิศดโลกมีไหมเราเคยเห็นไหมนอกจากคนที่สลัดปัดทิ้งกิเลสออกโดยสิ้นเชิงด้วยการต่อสู้โดยเอาชีวิตเข้าแลกแล้วได้ชัยชนะ หลุด้นไปได้เท่านั้นเป็นผู้ประเสริฐดังพระพุทธเจ้าของเรากระเสริฐด้วยการต่อสู้พระเกิดกระเสริฐด้วยการชนะกิเลสให้หมอบร่าภายในรยรพระไถ่ทำโมปีโปได้กระจ่แย้งขึ้นภ า, ภายในพระจิตของพระอค์ปเป็นศาสดาขึ้นมาในขณนะที่กิเลส หมอปราบลงไปหมดไม่มีเหลือตราบใดที่กิเลสยั้งอยู่บนหัวหัวใจหรืออยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าของพองค์พระองค์ก็ไม่ได้เป็นพระวาจาออกมาว่าเป็นศาสดาดังที่กล่าวไว้แล้วในธรรมจกกักรขป .50 มาสิ่งเหล่านี้เหล่านี้เหลนน่านี้แต่ก่อนเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเป็นเราก็ไม่กล้าพูดว่าเรารู้เราเห็นเราเป็น แต่บันนี้เราได้รู้ได้เห็นได้เป็นแล้วเราจึงกล้าพูดว่าเราได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้ละได้ชนะแล้วกับกิเลททั้งหลายได้หลุดพ้นแล้วโดยสิ้นเชิงนี่เราย่อเอาคำในธรรมจักรกับปนมนาสุมาแสดงเอาเฉพาะใจความผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ยึดเอาไม่ได้แปลไปตามจับตามบาลีทุกบททุกบทแต่ เอาเนื้อความซึ่งเป็นความจริงจากบาลีนั่นทีเดียวมาแสดนี่ทางเดินของพระพุทธเจ้าผู้เป็นสระนางขาา้าฉานของพวกเราท่านีสาวกทั้งหลายก็เดินแบบลูกศิษย์มีครูไม่ลืมศาดสดราเดินตามรอยพระบาทไปโดยลำดับลำดาพระองค์พาทุกก็ทุกพาลำบากก็ลำบากสอนว่าอย่างรดดำเนินตามนั้น ไม่เห็นสิ่งใดที่เลิศประเสริญยิ่งกว่าศาสนาธรรมที่ประธานให้แล้วจะ ย, ยากลําบากขนาดไหนก็ดําเนินตามนั้นทีนี้ปฏิปทาของผู้บํารุงธรรมของผู้รักษาธรรมผู้ขุดค้นธรรมจะให้เกิดขึ้นต้องเป็นปฏิปทาที่อดอยากขาดเคลนเป็นปฏิปทาที่ยอมรับในเรื่องความทุกข์ในการต่อสู้ทั้งหลาย ความไม่ยอมรับในความทุกข์ความลำบากบ้างเลยแต่จะเอาความ <c oughs> ที่เสษเลิ่อโลกขึ้นมานั้นนั้นไม่มีทางนอกจากถูกหลอกจากกิเลสซึ่งเป็นตัวเรวสามโดยเสกสรรญยญศ ต, ตนเองหรือหลอกลวงสรรโลกว่าจะดีจะประเสริฐเท่านั้นโดยเหตุ น, นี้ผู้ปฏิบัติ แม้สมัยปัจจุบันนี้ท่านผู้ปรากฏชื่อดูอนามลังเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาลุวยมาเฉพาะอย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์ม่านหรือหลวงปู่ขาวเหล่านี้เป็นต้นปฏิปทาของท่านเฉียบขาดสมกับว่าพุทธังธรรมังสนังกะฉามิอยู่ในหวัวใจท่านอย่างแท้จริง ดำเนินทุกแง่ทุกมุมเป็นแบบเป็นฉบับเป็นสิ่งที่กิเลสขยะขยแยงเป็นสิ่งที่กิเลสหมอบรากไปโดยลำดับลำดาไม่เป็นปฏิปทาที่กิเลสหัวเราะย่ะเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายดำเนินอยู่นี่มันเป็นปฏิปทาที่กิเลสทั้งหลายหัวเราะนะอย่าเข้าใจว่าเพ่งครับ จะเข้าใจว่าตนปฏิบัติดีกิเลสจะหมอกราบนอกจากกิเลสหัวเราะเท่านั้นพยายามทำใจให้เหนือกิเลสเราจะทราบเรื่องแง่งอนและกฎมายาของกิเลสว่ามันแหลมคมขนาดไหนจะทราบโดยลาดับถ้าปฏิปทาที่กิเลสตกแต่งให้แล้วก็คือปฏิปทาของกิเลสนั่นหละ มันจะผิดตั้งแต่ความสำคัญขึ้นมาให้เราหลอกเป็นสองชั้นสามชั้นว่าเราได้เดินจงกรมเรานั่งสมาธิเราภาวนาวันหนึ่งวันหนึ่งได้เท่านั้นนาทีได้เท่านี้ชั่วโมงเราฉันข้าวมื้อเดียวเราบินสะบาดตามจิตจวัตรเี้ไม่ทราบวิเฤตมันสวมรอยเข้าไปโดยลำดับลำดาทุกระยะทุกก้าวทุกความเคลื่อนไหวของเรานี่สิ มันจึงได้แต่รางวัลของกิเลสนอนจมอยู่ในกิเลสตลอดเวลาหาทางฟื้นทางตื่นตัวไม่ได้เพราะปฏิปทานนี้เป็นเรื่องของกิเลสโดยที่เราไม่รู้สึกเพราะเรียนวิชาไม่ทันมันกลมมายาไม่ทันมันหลักวิชาเรามีสติปัญญาเป็นต้นไม่ทันกลมมายาของกิเลสแล้วจะไปรู้ความแหลมคมของกิเลสจะหลบหลีกจีบตัวและต่อสู้กิเลสให้พ่ายแพ้หรือให้หมอบลาบไปได้อย่างไร นี่ควรนำไปคิดให้มากนักปฏิบัติปฏิบัติ ท, ที่ดำเนินอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้มันจะไม่ได้เรื่องหรือไม่ได้เรื่องและปฏิบัติธของหมูขึ้นเขียงก็คือเหลือเฟือไม่ว่าการดูการกินการใช้การสอยการหนับการน่อนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับพระปฏิบัติเป็นสิ่งที่เหลือฟ้า เป็นสิ่งที่พุ่งเฟ้อเหือมลืมเืม้อลืมตัวไปสมดมีคือปฏิปทาจะขึ้นเขียงเหมือนหมูไม่ใช่ปฏิปทาจะสับจะฟันกิเลสให้แหลกแตกกระจายไปจักหัวใจเลยครูบาอาจารย์องค์ใดที่ได้มาแนะนำสังสอนพวกเราจนได้เป็นขกิจ ต, ตัวอย่างมาทุกวันนี้ท่านทั้งหลายไม่ทราบก็ได้เล่าให้ฟังเรื่อยมาดังที่เคยเล่านี่แหละเล่ามาเพื่ออะไร ทำไมเพื่อเป็นคติคือเป็นปฏิปทาที่กิเลสหมอกรากเป็นปฏิปทาที่กิเลสขยักขยแงเป็นปฏิปทาที่กิเลสกลัวไม่ใช่เป็นปฏิปทาที่กิเลสหัวเราะดังที่เราทั้งหลายปฏิบัติโดยสําคัญตนมากเคร่งว่าคดอยู่เวลานี้นี่แหละคือปฏิปทาที่กิเลสหัวเราะอยู่หลายองค์มากเข้ามากเข้ามันเลอะเะเถอะเะเลีวเลวหลายๆ จนร่องรอยที่พาดำเนินมาจะไม่มีเหลือแล้วค่อยกลืนไปกล้นมากลืนไปกลืนไปกลืนไปองค์ไหนมาก็กลืนไปองค์ไหนมาก็เหยียบย่าลงไปเก่าเหยียบย่ําแบบหนึ่งไม่เหยียบย่ําแบบหนึ่งเหยียบย่ํากันอยู่เรื่อยๆหาทางฟื้นไม่ได้ผู้แนะนําสั่งสอนก็หมดกําลังใจไปโดยลําดับลาดาเพราะผลปรากฏขึ้นมาแต่เรื่อง ดังที่กล่าวมาเหล่านี้ผู้สอนก็ผนทำไมจะไม่รู้เรื่องพิดถูกดีชั่วได้ผลได้ผลเสียถ้าจะมานอนจมแบบประมาทอยู่นี้ให้พากันไปนะยาอยู่ให้หนักวัดแล้วให้หนักใจเด่นเด่นดานๆานเพ่นเพ่นผ่านผ่านยัวยเยียยัวยเยีย ทางจงกรมไม่หมองหัวใจไม่หมองมองตั้งแต่เรื่องกิเลสมันร้อยลัดเอาจมูกไหนเอาจมูกไหนสอดแต่จมูกให้กิเลสมันร้อยลัดอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจมีตั้งแต่สอดออกไปให้กิเลสมันร้อยรัทธ์ร้อยลัดธ์้อยลัทอยู่ทั้งวันทั้งคืนนี่เหลือมากกว่านิพานของผู้ปฏิบัติทำกันแบบนี้แล้วเหรอ ถ้าไม่ต้องการเป็นควายให้กิเลสร้อยจมูกก็สอนหมดแล้วอะไรก็สอนหมดแล้วทุกแง่ทุกมุมหมดภูมิในการสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่มีปิดบงังลี้รับไม่ได้สอนด้วยความโอ้อวดแต่สอนด้วยความจริงสอนอย่างเปิดเผยทั้งเหตุก็สอนให้เต็มภูมิผลโดยปรากฏมากน้อยตามพัพงโงองตนขนาดใดก็เปิดให้เต็มภูมิ ทำไมจึงไม่ถึงใจผู้มาฟังทั้งหลายยิ่ยงกว่ากิเลสที่มันฝังใจทุกวันนี้เดี๋ยวนี้มันถึงใจกับกิเลสไม่ได้ถึงใจกับธรรมไมไ่ถึงใจกับโอวาทของครูของอาจารย์พุทธังธรรมังสนงังคะชามิสักแต่ว่าชื่อสักแต่ว่านามสักแต่ว่าฤกไม่ได้ถึงใจเหมือนกิเลสอาสวะทั้งหลายสนงังคัชานิโดยอยูด่ด้วยหลักธรรมชาติของหัวใจที่ติดแนบกับกิเลสไม่ยอมฟื้นตัวไม่ยอมมีสติ ที่จะสลัดปัดมันนั่นเลยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ถึงใจของนักปฏิบัติเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดป่าบ้านตาท่านต่างหลายิดอย่างไรทุกวั น, นอะไรที่มันแสดงทำแล้วมันเด่นมันเด่นมันเด่นอะไรที่จะแสงดงกิเลสมันไม่ค่อยปรากฏแล้วมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นเพราะการแสงรดงกิเลสหรือเพราะการแสลงธรรม เวลานี้มีแต่ความสแสลงทำเป็นส่วนมากความสแสดงเกเรียดไม่ค่อยมีมีแต่การเหยียบย่ําทําลายทำหลงโดยไม่รู้สึกตัวหรือรู้สึกก็ไม่อาจทราบได้มากกว่าที่จะเหยียบย่ําทําลายเกเรียดหลงด้วยการคุยปฏิบัติต้องตนเองมันลืมเนื้อลืมตัวท้อไม่เคยลําบากลําบ่น เหมือนครัวอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านพาดำเนินมาท่านกระเสือกกระสนดิ้นล้มดิ้นตายครัวจะไม่พ้นจากทุกข์ด้วยปฏิปทาวิธีการต่างๆพยายามเต็มทัศน์กำลังความสามารถเหล่านี้ได้นำมาแสดงให้หมู่เพื่อนฟังเหมาะไม่เคยปิดบางนี้แล้วทาชอบเกิดขึ้นในสถานที่อดอยากขาดแคลนแคลนแคลนกั น, นดานแต่กิเลส ช, ชอบเกิดในสถานที่หลือเฟือ ลืมเนื้อลืมตัวฟุ้งเฟ้อเห่อเหื่อมนี่กิเลสเกิดจากอาการเหล่านี้เราจะแก้กิเลสเราก็ต้องแก้อาการเหล่านี้ถ้าไม่แก้อาการเหล่านี้ก็ไม่พ้นที่จะแบกขามกิเลสสั่งสมกิเลสเป็นครั้งกิเลสขึ้นภายในกายวาจาใจของผมเองทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวจากในออกมาถึงข้างนอกร้วนแล้วจะเป็นอาการที่น้อมรับน้อมรับกิเลสทั้งหมดการน้อมรับกิเลสกับการ เข้าแบกหามของทุกข์ก็ เ, เป็นอันเดียวกันอันเกี่ยวโยงถึงกันอยู่นี้แยกกันไม่ออกการยอมรับธรรมกับการถลัดปัดทิ้งกิเลส ก, ก็เช่นเดียวกันทำเความอุตติเจ้าเป็นโมฆะเมื่อไรแล้วจึงจะมาชินชาจนกลายเป็นเรื่องหน้าด้านไป ถ้าไม่ใชดจิเรศพระให้ด้านเมื่อเราจะรู้เนื้อรู้ตัวการเพริกปฏิบั ต, ติตนสมาธิก็อยู่กับเราอยู่กับการสืบฝนอบรมสมาธิที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอะไรท่านก็สอนท่านก็สอนไว้หมดในบรรดายวิธีที่จะให้เกิดสมาธิคือสมถะ ท, ทำได้แก่ความสงบภายในจิตใจเป็นภาพพื้น ก่อนที่ปัญญาจะกล้าออกเดินตามหลักธรรมที่ท่านเรียงไว้ดูล ำ, ำดลับลมดัานั่งภาวนาก็ดีเดินจงกรมก็ดีถ้าไม่มีสตินั่งจนก้นมันแตกก็ตามเถอะนะ ม, มันด้านก็ตามมันก็ไม่ผิดอะไรกับก้นลิงอะ่ะแต่กิเลสจะไม่ถลกกอกปอกเปิือกสักนิดหนึง่งถ้าไม่มีสติจิตมันไปกี่ทวีป ก, ก็ไม่รู้ ถ้ามีสติมันเคลื่อนไปไหนรู้รู้ความจดจ่อต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาตั้งใจรักษาจิตตั้งใจทําหน้าที่กิจภาวนา้เท่า น, า น, นั้นเสียดายอะไรความคิดความปรุงทางโลกทางสารเกี่ยวกับเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสั ม, สมผัสเรื่องได้เรื่องเสียอันเป็นอตีตารมณ์เราเคยคิดมาเท่าไหร่แล้วมันเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรนอกจากควรจิตใจให้ชอบช้าขุนมัว และได้รับความความทุกข์ไปโดยลำดับลำนาเลื่อยมาจนกทั่งถึงบัดนี้ไม่เห็นผลดีอันใดปรากฏขึ้นเป็นเครื่องสนองตอบแทนพ่อที่จะให้มีความเสียดายกับความคิดเหล่านี้เลยจะปล่อยความคิดเหล่านั้นเข้ามาสู่วงงานแห่งการปฏิบัติของตนในวงปัจจุบันกับคำภาวนาเท่านั้นทำไมมันทาไม่ได้นะักปฏิบัติ พระทุตองกรรมฐานแทๆ้ๆนักปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาเข้าสู่แนวรบแทๆ้ๆทำไมจึงยืน่นดาบด้ามดาบให้เขาฟันหัวออกมีเหรอมีมีแต่ยื่นแบบนั้นให้กิเลสฟันเอาฟันออกกาหนดทําบทใดก็ให้เป็นทําบทนั้นให้มีความจริงจังตอ่องานของตนฝึกหัดนิสัยให้จริงจังยาห่อดแหละ คนไม่มีหลักใจย่อมหาหลักธรรมไม่ได้เละแหละกับเหลวไหลไเป็นอันเดียวกันสิ่งนี้มีประจําหัวใจของโลกผู้ครองทําควรจะแก้จะไขเพื่อความมีหลักมีเกจมีสัตว์มีจริงต่อตัวเองเราฝึกเราไม่น่าเราจะฝึกใครใครดีจะยิ่งกว่าเราดีพระพุทธเจ้าเลิศก่อนจึงสั่งสอนโลก ชาวโลกทั้งหลายเลิกก่อนที่จะสอนโลกสอนได้ง่ายสอนได้สะดวกสบายสอนไม่อัดไม่อัน้นเพราะรู้แล้วค่อยสอนไม่ใช่สอนแบบโดนเดารู้แบบโดนเดารู้จริงเห็นจริงสอนจริงทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็กตั้งใจสอนตนทําไมจะสอนไม่ได้อุบายวิธีการต่างๆครูอาจารย์ก็แนะนำสั่งสอนก็ไม่มีที่ผิดบางลี้รับไม่มีที่น่าสงสัย นอกจากการปฏิบัติของตัวเองมันไม่เอาไหนเท่านั้นนั้นถึงไม่ได้เรือนั่งภาวนากี่ปีกี่เดือนมาแล้วผลปรากฏยังไงไม่สะดุดใจบ้างเหรอถ้าแม้สมาธิความสงบก็ไม่เกิดแล้วแสดงว่าเร็วมากนะักปฏิบัติเราการฝึกจิตเพื่อความสงบด้วยความตั้งใจนี่แน่ใจ ว่ารับทานความฝึกคราการทรมานด้วยความมีสติด้วยความตรวจจอต่อเนื่องกันนี้ไม่ได้เลยจะต้องอย่างเข้าสู่ความสงบให้เห็นทันตาทีเดียวอา้าวจิตจะโหนขนาดไหนการฝึกการทรมานต้องโหนขนาดเดียวกันมันดิ้นถึงขนาดมันจะเอาให้เราให้ตายแล้วก็ฟัดมันจนเอาให้มันตายเหมือนกันทําไมจะต่อสู้กันไม่ได้ทําเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสอยู่แล้วโดยธรรมชาติ เมื่อนำมาใช้ทำไมจะไม่เหนือนอกจากเราจะยื่นด้ามดาบให้กิเลสเสียให้มันฟันเอาชนะท่านพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้บอกให้ยื่นทําดาบให้กิเลสบอกให้ฟันกิเลสตั้งหาคนฟันกิเลสจะจับปายดาบฟันได้เหรือก็ต้องจับด้ามฟันนั่นพูดมาสอนมาจนอกจะแตกแล้วมันยังไม่ได้เรื่องได้หลาวอะไร เหมือนหยุดคนัวีปคำว่าสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีวิมุตตหลุดพ้นก็ดีมันติดหัวใจอยู่เฉพาะกิเลสเท่านั้นธรรมะไม่มีทางที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยธรรมะไม่ใช่มิสัยของพระของอุิบติอย่างนั้นก็เป็นอีกํำนองหนึ่งแต่นี่ไม่ใช่อย่างนั้นเยกเป็นภาชนะได้ทั้งกิเลสทั้งธรรมชาจะทำอยู่ด้วยการ ทุกไม่ว่าทุกทางใจทุกทางกายก็อยู่ในการในใจอันนี้สมมมุทัยอยู่ที่ใจมีการมาตัญหาเพราะตัหาวิทาะพิ ว, วตัญหาเป็นต้นก็เกิดขึ้นที่ใจมักจะเกิดขึ้นทวีปไหนมักได้เก่อะไรท่านก็แสดงมาแล้วแปดอาการสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโป ค, คือปัญญาเนี่ย สัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมากัมมันตะการงานท่อคือการงานเช่นไรเดินจงกรมปล่อยใจให้ออกนอกทวีตโนนนั่งสมาธิก็ปล่อยใจให้ออกนอกทวีตโนนอย่างนั้นเป็นสัมมากัมมันตะได้อย่างไร การงานชอบนั่งสมาธิอย่างไรมันจึงชอบจึงเป็นไปเพื่อความสมงบจิใจก็นั่งแบบนั่นเนั่งแบบมีสติท่านยาการงานชอบตั้งสติไว้ชอบนาสมาชีวะพูดเรื่องอะไรก็เป็นอัดเป็นถามเป็นเหตุเป็นผลที่เป็นคติตัวอย่างแก่กันและกันเป็นเครื่องนื่นหลงไม่ใช่เป็นการพูดเพื่อสั่งสมกิเลสหรือทาความเคารกระเทือนให้แก่ผู้ฟังทั้งหลาย สัมมาวาจาในหลักธรรมท่านกล่าวสัมมาวาจานี้ท่านกล่าวไว้ในสันเลกธรรมนี่ก็เคยเอธิบายให้ฟังแล้วนั่นหละพระครั้งพุทกธการท่านพูดกันท่านคุยกันคุยถึงเรื่องความมากน้อยความสันโดษความมิเวกสงัดสถฐานที่นั่นที่นิ่งมิเวกสงัดความไม่คุกพีปีมงซึ่งกันและกันปีดตัว เป็นบุคคลผู้เดียวมีความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่กับตนศีลนะกนอมัติระวังรักษาอย่างเข้มงวดขวดขันยิ่งกว่าชีวิตจิตใจสมาธิเก้เาจริงเ อ, อจาจังพูดถึงเรื่องสมาธิให้เป็นความรื่นเริงซึ่งกันและกันใครจิตมีความสงบเพื่มเย็นอย่างไรก็มาเล่าสู่กันฟังเป็นการสนทนากัน เป็นกำลังใจจากการได้ยินไ้ฟังจนมาถึงสมาธิปัญญาพูดถึงเรื่องปัญญาใครรู้มากรู้น้อยใครมีความฉลาดแหลมคมในการต่อสู้กิเลสประเภทต่างๆได้มากน้อยเพียงไรก็เล่าสู่กันฟังจนถึงขั้นยิ่มดหลุดทนมีสันเลขะธรรมท่าข้างพุตรการท่านพูดท่านคุยกันอย่างไน ท่านไม่ได้พูดถึงการบ้านการเมืองการได้การเสียความวุ่นวังมันถึงการซื้อการขายอะไรต่างๆท่านไม่พูดเพราะท่านเป็นเรื่องของโลกเรื่องของธรรมมีแต่การแก้สินไม่ดีทั้งหลายช้าล้างสิ่งไม่ดีทั้งหลา ย, าลาหลายให้ออกเวลาพูดก็พูดเพื่อความช้าล้างไม่ได้พูดเพื่อความสังสมนี่ก็เป็นชมาวาจาร์อท่าน สมาชีวอย่างอยากอย่างละเอียดออ ก, การบินทบาทมาขบมาฉันเลี้ยงอั ต, อตภาพพอได้บําเพ็ญสมณะธรรมนี่ก็เป็นอันหนึ่งสมมาชีวคือรอเลี้ยงจิตใจด้วยอัดด้วยธรรมด้วยความภาคเพียรที่ชอบทำให้เป็นสมาธิขึ้นมามีรสชาติอันลึกซึ้งอันน่าอัศจรรย์ สม า, มาอาชีวะสมาวายามะก็เพียงชอบปั้นก็บอกไว้แล้วในประทานความเพียรสีก็บอกในสติปะทานสีก็บอกสถานที่ทำงานซึ่งร้วนแล้วแต่เป็นความเพียรชอบทางนั้นถ้าจิตและสติได้ตั้งในธรรมที่กล่าวนี้เป็นความเพียรชอบดดวยกันสมาสติ ก็เหมือนกันก็ตั้งลงในองค์สติปัฏฐานสี่อะไรที่เป็นความเหมาะสมกับจิตใจของตนในขณะนั้นในขณะนั้นแล้วสมาธิก็เป็นสมาธิชอบขึ้นมาเป็นความแน่นหนามั่นคงภาะน จ, จิตใจนี่ก็คือมรรคไปอยู่ทวีปไหนถ้ามาอยู่ในใจไม่ผิดขึ้นในใจได้พระพุทธเจ้าสอนลงนี้ทำไมไม่สอนว่าให้ผิดทวีป น, น, นู้นโลกนู้นโลกนี้ บอกลงในจุดเดียวจึงครบอริยสัจสี่มากนี่ที่กล่าวมาแล้วเรียกว่ามรรคมรรคข้ปฏิวัติเครื่องดําเนินเครื่องปราบปรามเครื่องสังหารกิเลสอันเป็นตัวภัยได้แต่สมุทัยซึ่งมีอยู่ในจิตดวงเดียวกันนี้เนี่นยิโรดคือความดับทุกเพราะสมุ ท, ทยัยหมอบราบหรือเรียบราบไปหมดแล้วทุกที่เกิดขึ้นเพราะอํานาจสมุ ท, ทยัยผิดมันก็หมดไปเองท่านสอนเนี่ย ทำไมพวกเรานำธรรมะเหล่านี้มาปฏิบัติยังไม่เป็นอยู่ปัญญาอะไรเลยไม่มีน้ำยากลายเป็นโมฆะไปหมดเหลือแต่ชื่อแต่นามกรรมาฐานมันเกิดประโยชน์อาไัยกับชื่อกำนามจะตั้งให้เลยจะดวดดาวเทียมเลยอวกาศก็ตั้งได้ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรถ้าจะของไม่ทําประโยชน์ให้เกิดขึ้นประจักษ์กับตจทังสองอย่างแล้วมันไม่มีอะไรดีทั้งนั้นอะชื่ออนามก็ตั้งไว้ตามสมมุตินิยม กรรมาฐานกรรมาฐานก็เหมือนกันปัญญาก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนถึงเวลาจะควรใช้ใช้ใช้บังคับในขั้นเริ่มแรกที่จะควรบังคับต้องบังคับก็ได้บอกบอกไว้แล้วเพราะยังไม่เห็นผลของปัญญาว่าปัญญานั้นเป็นอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นจากปัญญาชำรานนั้นเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบจึงไม่อยากจะสนใจก็ได้อธิบายให้สัางหมดแล้วการพิจารณาคลี่คลายเรืาตเรื่องขันไอตนะภายนอกภายในอุปชาท่านสอนเกสรสาโลมาหน้าขาทันตาตะโจกนี่สิ่งที่เป็นเครื่องหลบซ่อน ของกิเลสมันหลบซ่อนอยู่ตามผมผนและบฟันหนังนี่นะมันหลอกว่าเป็นของสวยของงามเป็นของกีรังทา้ารอนแล้วให้พิจณาดูสิความเห็นของกิเลสกับความเห็นของธรรมความรู้ของธรรมมันต่างกั น, นไหมนะท่านใดพิจนาบวช ที่แรกอุชาต้องสอนทั้งนั้นไม่สอนไม่ได้เพราะเป็นธําจําเป็นเป็นงานที่จําเป็นสำหรับนักบวชท่านจึงสอนหนุ่ที่นี่เยซ่าโลมาคาฮันตาตัดตทั้งอนันโลมทั้งปฏิโลมตลบทบทวนหลายครั้งหลายฝนเพื่อให้เกิดความชนนี้ชำนาญจนอย่างทราบตามหลักความจริงของสิ่งเหล่านี้แล้วก็ปล่อยวางลงตามเป็นจริงของมันแล้วไม่ว่าแต่เพียงห้าอาการในเท่านั้นหมดในร่างกายนี้มันก็เป็นสภาพอันเดียวกัน เมื่อทราบแง่ใดแน่หนึ่งแล้วก็ซึมทราบไปตลอดทั่วถึงกันหมดภายในร่างกายของตนและของคนอื่นก็เช่นเดียวกันย่อมปล่อยวางได้การปล่อยวางร่างกายด้วยความรู้เท่าทันโดยทางปัญญานี้ก็คือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นภาระอันหนักกดท่วงจิตใจให้เกิดความทุกข์ความทรมานนั่นแหละอสอนลงที่นี่บรรดาพิจณาลงที่นี่มันจะไปไหนถ้าไม่รู้ เมื่อได้เกิดความเข้าใจในสิ่งเหล่านี้แล้วเรื่องความละเอียดยิ่งกว่านี้ของกิเลสและของปัญญาอันจะเป็นขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งทะลุบุโปร่งไปหมดปัญญาก็เหมือนไฟได้เชื้อเชื้ออยู่ที่ไหนจะลุกลามไปเรื่อยๆปัญญาที่เผากิเลสก็เหมือนกันกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดปัญญา คือไฟ่นระับเผาตปะธรม ร, ะรมเผาไปเยอะโดยลำดับลำดา บ, บจนกระทั่งสุดท้ายละเอียดขนาดไหนที่ฝังอยู่ภานาจิตให้เป็นเชื้อพาให้เกิดแก่เจ็บตาอยู่มาอยู่ไม่ถอย <c oughs> ก็ถูกเผาออกหมดไม่มีเหลือเมื่อกิเลศอาสวะประเภทต่างๆที่หุห้มห่อจิตใจได้ถูกปัญญาเป็นตบปบธรรมแผดเท้าออกไปหมดแล้ว ก็เหลือแต่ความบริสุทธิ์ภาณในจิตใจที่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้ในขณะที่กิเลสพังลงจากพระจิตนั่นเองพระสาวกบัญรูธรรมถึงขั้นอรหัตต ภ, ภูมิก็คือการทำลายกิเลสพังลงจากใจกของท่า น, นทางนั้นด้วยปัญญาด้วยความเพียรทุกประเภท ปรากฏเป็นพุทธทางสนักระฉามีของพวกเราเป็นมาอย่างนี้ทำมังสะนักระฉามนี้เกิดขึ้นด้วยวิธีการของผู้ย่าที่ทรงบำเพ็ญดังที่กล่าวมานันไม่งั้นธรรมเหล่านี้ก็ไม่เกิดสังฆังสนั ง, งกระฉามนี้ที่เรากราบไหว้ผูชาว่าเป็นพระสงค์สาวกก็คือท่านผู้ดําเนินตามแบบฉบับของผู้ย่าที่ประทานไว้แล้วโดยถูกต้องแม่นอย่างำเพื่มาสร้างกิเลสบัลลลายเป็น เป็นสังฆังสนากระฉามีเป็นดวงขึ้นมาแต่ละองค์ละองค์รวมแล้วก็เรียกว่าสังฆังสนากระฉามีของพวกเราท่านนําเดินทางที่กล่าวให้เราจึงควรคำหนึ่งให้มากที่จะเป็ น, นช่สนากระฉามีของตนเองสนากระฉามีพูดทางธรรมั ง, งสังฆังสนากระฉามีนั่งเยื่เป็นหลายแง่เยื่อพระพุทธเจ้าเป็น หลักจิตหลักพึ่งเป็นพึ่งตายติดแนบสนิทกับพระพุทธเจ้าอันหนึง่งยึดปฏิปทาเครื่องดําเนินของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาดําเนินสําหรับตัวเองเพื่อเป็นศรนัทธาของตัวเองนี้เป็นอีกประเภทหนึ่งอันนี้สําคัญอยู่มากนั่นเป็นเครื่องยึดอันหนึง่งเป็นขั้นขั้นสร้างศรัทธาให้เต็มขึ้นภายในจิตใจของตัวเองด้วยพุทธทางชนาละกามิก็โผล่ขึ้นที่นี่ เป็นพุทธะที่บริสุทธิ์เต็มดวงเช่นเดียวกับพุทธะของพระพุทธเจ้าและอรหันต์ท่านทำ ม, มังสะังคฉามีก็เป็นธรรมโมปิโปขึ้นในขณะเดียวกันสังฆังสรงังคฉามีก็คือตัวเราเองเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งทำทั้งหลายนะนี่เป็ น, รนชรนังคัฉามีของเราแล้วจริงจากการอปฏิบัติและจากการน้อมพระพุทธเจ้าพระธรมปสงค์มาเป็นแบบฉบับขึ้น่องดำเนินจนกระทั่งถึงในเห็น กระทั่งได้เห็นผลพระจักขึ้นภายในจิตใจของตนเป็นท้ามังขชามนี้ขึ้นโดยดับธรรมชาติที่นี่จะกล่าวถึงพระพุทธเจ้าไม่กล่าวถึงก็เป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วโดยสมบูรณ์ภายในจิตใจนี่เราพูดได้เห็นธรรมผู้นั้นเห็นหลักฐานโคตเห็นกันที่ตรงนี้พระพุธทธเจ้ากี่พระองค์ก็ตามความจริงเป็นอันเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันแม้แต่น้อยสามารถทำไปยังไงก็รู้เอง เพราะไม่มีอะไรที่จะสัมผัสสัมพันธ์ทําได้ยิ่งกว่าใจตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือของใจเท่า น, านั้นแต่ไม่สามารถจะเป็นภาชนะนัส้สัมผัสสัมพันธ์ทําได้เหมือนใจใ จ, จึงเป็นความสําคัญมากพิสดารมากความสามารถมากคือใจตาหูจมูกลิ้นกายไม่สามารถแต่ใจสามารถทั้งเห็นทั้งรู้ทั้งละ ทุกสิ่งทุกอย่างได้พานา จ, จิตใจตาหูจมูกลิ้นการไม่สามารถสัมผัสสัมพันธ์ทำแต่ใจสามารถสัมผัสสัมพันธ์ได้อวัยวะไม่บริมันไม่สามารถจะทำตัวให้บริสุทธิ์ได้แต่ใจสามารถทำตัวให้บริสุทธิ์ได้สารพิเศษทั้งหลายซึ่งเคยปีบบังคับที่ทม่หัวใจโดยอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือเนี่ยฉนาหน้าทีแค่กิน อยู่ที่ตรงนี้และจะปรากฏขึ้นมาจากผู้ประพปฏิบัติตามแนวทางของพระเจ้าไม่มีคําว่าล้าสมัยถ้าไม่ใช่คนลาสมัยพระลาสมัยเจะเองดูถูกเห ย, ายาียบย่ำศาสนาและทําลายตัวเองว่าศาสนาหมดเสร็จหมดสมัยหรือคืดหรือลาสมัยคนนั้นคือคนคือคนลาสมัยคนทําลายตัวเองพร้อมกับําทำลายศาสนาอันเป็นประโยชน์กแก่คนอื่นด้วย เราเป็นคนประเภทไหนเป็นพระประเภทไห น, เ ว, นเวลานี้ควรเวลานั้นไม่ควรนั่นแหละคือการทำลายตัวเองเอางี้นอนซะก่อนมันสบายซะก่อนเวลานั้นจึงเดินจงกรมเวลานี้จึงนั่งสมาธินี่ยคือการทำลายตัวเองถูกกิเลสหลอกกิเลสมันมีการมีเวลาเมื่อไหร่มันบอกว่าให้หนั่งซะก่อนให้กิเลสได้พักผ่อนหน่อยกิเลสอยู่บนหัวคนเหนื่อยจะตายแต่ไม่เห็นว่าน กิเลสอยู่บนหัวพระกรรมฐ า, านมันเหนื่อยจะตายแล้วเดี๋ยวนี้ให้กิเลสได้พักผ่อนสักหน่อยมันเคยมีที่ไหนกิเลสพักผ่อนบนหัวใจผลมีที่ไหนไมิเยียบย่ำตลอดเวลาเราทำไมไม่คิดเวล า, าจะแก้กิเลสทำไมจิตต้องหาที่พักที่ผ่อนอันเป็นกลมยาของกิเลสซ้ำกระปั่นเรียนให้รู้เรียนให้จบมีสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญศรัทธาวิริยชส แต่นั้นเป็นเครื่องหนุนเข้าไปหนุนเข้าไปความอดความทนหมุนเข้าไปสติปัญญาเป็นเครื่องมืออันทันสมัยวัดต้อนมาเข้าไปกิเลสไมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจสังสมสติปัญญาขึ้นให้พอตัวแล้วคลังทั้งนั้นแหละไม่ว่าครั้งพุทธการไม่ว่าครั้งนี้เพราะกิเลสมีประเภทเดียวกันธรรมะจึงไม่จําเป็นจะต้องเปลี่ยนประเภทมาจากไหนเป็นจารยตาองค์ใหม่ขึ้นมาถึงจะ ท, ทันกิเลสธรรมะเหล่านี้พระองค์เคยปราบกิเลสราบมาแล้วและสอนสามวก นำไปปราบกิเลสราบมาหมดแล้วกิเลสตัวไหนจะเหนือธรรมเหล่า น, นี้ไปได้ถ้าไม่ยืน่นด้ามดาบให้มันเสียอย่างเดียวเท่านั้นขอให้นําไปไปคิดไปนั่ปฏิบัติมาอยู่นี้กี <c oughs> ่ปีกี่เดือนแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องได้เล่าอะไรผู้สอนแทบล้มแทบตายแล้วจะสอนอะไรกันอีกนั่งหนามองไปไหนมันขัก สาตาฟังขัดหูอยู่ตลอดถ้ามันเป็นธรรมทาไมมันขัดก็เราสอนด้วยธรรมแต่แท้มองดูมูเพื่อนมองดูด้วยธรรมแต่แท้มูเพื่อนก็มาปฏิบัติธรรมแต่แท้ทําไมมันจึงขวางทำไมมันจึงขัดถ้าไม่ใช่สิ่งที่ขัดที่ขวางมันมีอยู่ในนั้นญยาพิษมันมีอยู่ในกิริยานั้นจะเป็นอะไรจะเป็นของวิเศษวิโสมาจากไหนถ้าเป็นของวิเศษวิโสมันแสดงมามันจะขัดทําไมก็เราหาสิ่งไม่ขัดอยู่แล้วมีทําไมมันขัดมันขัดอยู่ตลอด ยิ่งเหลียวไหลลงไปทุกวันทุกวันนั่งปฏิบัติแล้วเรศสวมรอยอยู่ทุระยะมันก็ไม่ดูเพราะไม่มีสติจะดูอยากให้รู้ให้เห็นสอนแทบเป็นแทบตายหนักขนาดไหนก็ทนเอาเพราะเห็นว่าหัวใ จ, จะใจ่วงดวงมีคุณค่าแต่กลับอป ปล่อยให้กิเลสเอาไปเหยียบย่ทำทําลายจะหมดมันก็เสียเจตนาของผู้อบรมแนะนำสอนทั้งตัวเองที่มุ่งมาเพื่อเพื่อทำก็ยังไม่รู้ว่าเสียตัวไปเพราะสิ่งเหล่านี้ทาลายเนื่องจากคนวัญญาณของกิเลสมันแหลมคมมากยิ่งกว่าธรรมที่จะนำไปแก้ไปชำระมัมเดินจงกลมอยู่มันก็สวมรอยเหยียบอยู่นั่นเราก็ไม่รู้ หยิบชงเอาไปไหนไม่มีสตินั่นเนี่ยคือมันลากไปแล้วเนี่จะเดินอยู่ก็ตามยืนอยู่ก็ตามนั่งก็ตามนั่งภาวนาหยิบเผลอไปเมื่อไรก็แสดงว่ามันเอาไปแล้วเอาไปต้มไปตุนที่ไหนแล้วเราก็ไม่รู้ถ้ากลับมาก็มาทวงเอาคะแนนกับธรรมมาเหยียบย่ำทําลายธ ร, รรมําหนิ้ปีเตรียมธรรมมานั่งมานานขนาดนั้นม่เห็นได้เรื่องได้ราวอะไรพอม่ น, นั่งเอาธรรมมันนั่งที่เดียวโกรธคอมต่างหา แล้วมันจะเอาอะไรมาเป็นของวิเศษวิสโสก็มีแต่ที่เลดแล้วมันวิเศษไหมล่ะมันขี่บนหัวคนเจ้าของวาดภาพภาพเทินไปว่าจะของให้นั่งพอ น, น่ะไม่ใชเ่เป็นช้างให้ที่เ็ดขึ้นบนตะพองเลยขี้เลนขึ้นเหยียบบนหัวของมั น, นคำพูดทั้งหมดนี่ ท, ทั้งหลายจับเอาไว้นะภรยานใจแล้วดำเนินไป มันจะผิดหมายที่พูดนี้ขอให้จะคิดสติปัญญาให้ดีเถอะเรื่องที่กล่าวมานี้ทั้งหมดจะกลางวานภาในหัวใจการทำทั้งหลายเองแม้ผมตายไปแล้วกว็าตามจะมไม่เป็นของล้าสมัยจะไม่เป็นของหนุ่มนานอะไรเล ย, เลยจะปรากฏขึ้นในปฏิวัติจิตที่ได้สัมผัสสะพานกับธรรมทั้งหลายกับทิเลตทั้งหลายดังที่ททกล่าวมานี้ไม่สงสัยเพราะทําเป็นมัชฌิมาตลอดเวลาทิเลตเองมันก็อยู่บนหัวใจคนตลอดมาจะว่าเป็นมัชฌิมาของมันก็ได้นี่ มีการมีสมัยมาชาวาเด็วที่ไหนขอให้มันรู้เป็นใจเองมันจะกังวานขึ้นตรงนี้เองหลังที่เคยพูดเสมอวิจ้าณริตภัณฑ์กี่ปีกี่เดือนกี่ล้านปีก็ตามกี่ล้านองค์ก็ตามมันสําคัญอะไรกับตรงนั้นมันสําคัญอยู่ที่ความจริงที่กระเทือนถึงกันภายในหัวใจเรานี้เท่านั้นเมื่อความจริงได้กระเทือนในหัวใจีแล้วก็เทือนไปหมดแม่บาพุ่งเจ้าทั้งหลายยอมรับหมดเลยนะมันอยู่นี่ต่างหากนี่ ทำความบ้าความเพียนจะมาเป็นเพื่อบ้านผ่านตามสลงสลาไม่มีจิตมีการงานอะไรเราอยากเห็นท่าเดินจงกรมด้วยความมีสติเราอยากเห็นพระของเรานั่งภาว น, นาเอาจริงเอาจ้งกับการฆ่าที่เลสตัวเนียบจังไหนตัวแสบที่สุดคือกิเลสประเภทต่างๆไม่ว่าความโลภความโกรธความหลงความรักความชังเป็นหอบเป็นเหลาทิ้มแทงเข้าใจทั้งนั้นทําทิ้มแทงที่ไหน มีมากมีน้อยเป็นความทุ่มเย็นในภายใ น, ในใ จ, จิตใจเท่นั้นทําให้เคยเป็นค่าสิทธิ์ตะวันเลกิเลสต่างหากเป็นค่าสิทธิ์ทำเราทําไมเราจึงเห็นเป็นหอมเป็นหวานแต่ได้ถ้าไม่ถูกกล่อมที่จนมืดมิดปิดตาเท่านั้นเอแล้วการพูดอย่างนี้นี่ฉุดมีนหนื่อยหึ้นมามีโม่ ม, มีคุยกันไปด้วยไหมเนี่ยไม่ดูดูหัวใจมั น, น, นคุยยังคุยกันอยู่เหรอยังมีคุยกันเหรอไปยินสบาย ถ้าองค์ไหนไปอย่างนั้นแล้วจะอยู่วันนี้ไม่นั้นนะไล่ไปเร็วๆนี่เพราะเดี๋ยวนี้สอนมามากก่ามากแล้วน่าสมควรอย่างยิ่งเพราะสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้รู้ต่างชัดเจนดูหัวใจเจ้าของเดิมนมิถะบาทก็คือเดินอย่งข่มทําท้นเรียวกว่ามิถะบัต ท, ทเป็นวัดเป็นข้อวัดอันหนึ่งที่จะแก้สิริ เล่ก็ไปไม่สะดวกแล้วไปไม่ได้แสดงทำไไปตามปริพิภาษาไปไปสังเกลียตัวเองไปแต่ก่อนเราก็ไม่เคยเป็นดูสิทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นตัวัดูเอาถ้าฝังเรามัก็เคยแข็งแรงไปไหนมาไหนทำาะไรก็ต้องตัวมันอยู่ตลอดมันเป็นนิสัย อนี้มันเป็นอย่างนั้นมาได้นะดูพอให้หมูเพ่อนไปมันอบิโตกไมานาน่ได้ในความรับผิดชอบต่ำหมูเพื่อนอบิโตะกดคิดเรื่องอย่างนี้ไมานาน่ได้ประทุมมาต้นา น, นามแสนนานมเพิ่งมาไปทะชุมเมื่อวันที่ทุกสี่เนาะมาประชุมนี่นะ ขาดมันมันไม่สะดวกที่จะมาพูดมาเลยอืมพอฝืนได้กับฝืนอย่างที่มานี่ไม่ใช่มาด้วยความสะดวกนะมาด้วยความฝืนเป็ น, า น, นนะาขาดหลังขานเท่านั้นเราอยากให้หมู่บ้านได้รู้ได้เห็นธรรมอุตสาที่ทรงสอนแล้วนั่นนะเป็นยังไงกับกิเศษเอามาอวดกันดูให้มันเห็นชัดๆในใจรวมๆกันนี่นะ่ะอืม ที่เราพุกข์ปรุงอยกับกิเลสมานานแสนนานเอาทำมันแทรกทั้งนิดหนึงให้เห็นอย่างน้อยก็สมาธิธรรมันจะต่างกันอย่างไรบ้างขยิบเด็ปัญญาทำยมุติธรทำแล้ ว, ลวไม่ต้องพูดละมันฟ้าดินทะหล่ำในภายในความรู้สึก จะตื่นเต้นขนาดไห น, นอศัศจารย์ขนาไหนในนัานนั่นแต่ว่าทำอดของอศัศจรรย์หรือทําอาศัศจารย์ขนานั้นท่านพูดไว้ทำหมผู้ย่อปเสริฐทำประเสริฐไม่ใช่ความเสพสารปัญนยอไปในหลักธรรมชาติจ ร, จริงๆต่ตางอะไรทั้งนั้นฟังยหรือคิดมัน ไม่ดูไม่ดืม่มเพราะไม่เคยได้เห็นได้รู้คอคำนี้จะรสชาติของเหตุมันสังใจตลอดมาถึางการมาเท้าก็มีแต่อันเดียวกันอยู่กับวันนี้นันไม่มีอะไรมาเป็นคู่แข่งอะไรไม่มีอะไรมาแทรกพอให้ว่ามีสองสองันนั่นอนหนึ่งนี่อันหนึ่งพอที่จะได้ดูเลือกเส้นเลือกเส้นเทียบเียง มนจะเอมีออนอยู่พอสมาธิคือความสองอบใจด้ปรากฏขึ้นแม้ในขณะนั่นก็ตามแต่มันจะทราบทันทีเลยว่าเป็นของแจกกระดอศจารย์ขนาดไหนนั่นของของกิตที่ยังไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์ธรรมขัน้นใดมาเลยเพียงขั้นสมาธิที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้นเท่า น, นั้นมันก็ตื่นเต้นพอแล้วเลยอ๋อนี่รด สมาธิหรือนี่หรือกิจทัหมดเปอย่างนี้หรือนี่ทาเป็นอย่างนี้หลือนัะ่ะพร้อมๆกันเหนอย่างคือคยพูดว่าพระโพธิกัรท่านจเจริญสมาธิจเจริญถึงหกครั้งเสื่อมหกครั้งเสื่อมแล้วพยายามเอาจเจริญไม่อยู่เสื่อมไม่อยู่เส่อ เสียใจสัมมาจึงจะทั้งจะมีคนมาเชือดคอจะของนั่นเพราะความเสียใจมากจะเห็นว่าทำมิเจตนาดไหนถึงได้เกิดความเสียใจเพราะความหุดลอยจากของทำนี่นาดิบนาพระรหันสที่ชาติเกศม้วนสวื่อลงไปองค์ไหนที่เชือดคอตายเพราะเสียดายกิเกศเสียใจเพราะกเกศหลุดลอยไปไม่เคยมแต่ทำหลุดลอยไปเป็นได้ถึงขนาดนั่นตังดิ น่าสัยใจในนัดนั้นมันจะเสียใจทุ้คนแลวพูดถึงหล่งพระโคนที่ตัดแต่จริงๆ ผ, ผมเองตัวเท่าหนูนี่ผมยังเป็นยังเคยพูดห น, น, นูเ่นฟังในประวัติชีวิตนี้ไม่ลืมดูมาได้พืว่ากินเป็นสมาธิแล้วมันได้สวนอย่างที่กาาล่าวมาในหนังสือก็เขียนไว้เท่นในเท่และถอดกิ่นเียนไว้แล้วานั้น เราไม่เคยเป็นจิตของเราไม่เคยเสงบไมเคยเป็นมันก็ธรรมดาธรรมดาก็เหมือนอย่างชาวบ้านชาวเมืองจำชนบทเหนือตามบ้านนอกของนาเขาเเขาไม่เคยมีเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเขามีเพียงห้าบาทสิบบาทเขาก็พออยู่พอกินพอเป็นไปเขาก็สบายเขาอยู่นั่นแ่ละพีนีพอได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านขึ้นมาที่เอาที่ ถ้ถูกล่มจมเพราะจะได้เหตุใดก็ตามเงินล้านเหล่า น, นั้นแม้จะยังมีอยู่ในธนาคารหรือมีอยู่ในบ้านเป็นแสนแสนก็ตามเถอะจิตจะไม่มาอยู่ในเงินเป็นแสนแสนเลยจะไปอยู่กับมุ่นนะกับเงินล้านล้านล้านที่ล่มจมไปนั่นนี่ความเสียใจของคนที่เงินล้านล่มจมไป แล้วมีเงินอยู่ตั้งเป็นแสนแสนภายในบ้านกับตาสีตาสาที่เขามีเงินหรหาเชา่าอย่างเงี้ยเทียบความสุขความทุกข์แล้วใครจะเป็นทุกข์กว่ากันฟังดิผู้ที่มีเงินอยู่ในบ้านเป็นแสนแสนนั่นแหละจะเป็นทุกข์มากกว่าตาสีตาสาที่มีเงินเพียงศิบาทตาบาทศิลปบาทหาเชา่าอย่างเง มีจิตที่ไม่เคยเป็นสมาธิไม่เคยสงบเย็นใจเลยมันก็เหมือนการศึาษาเมื่อเราเที่ยวเมื่อพอจิตเป็นสมาธิขึ้นมาแต่เสื่อมไปเสียมันก็เหมือนกับมีเงินเป็นแสนเป็นล้านถูกร่ำปลุกจนเสียโดยทางเราทำอย่างนั้นจรมันร้อนเพราะเสียดายความเสียดายทีนี้ทำนี้นมันยิ่งไปกว่านั้นอีกไปกว่าสมบัตินั้นอีก อันผมก็เป็นแล้วมันพูดไ ม, ม่เหมอนกันฟัผลขอาขาดําการทำสมาธิเราทำได้ที่มีลงสูงแล้วก็ขาดไปแล้วอย่างนี้พอมาตอนหลังจะเอาอารมณ์อย่างนั้นมาอีก<ำ>เป็นไปไม่ ไ, ไดเ้เอาอารมณ์อย่างนั้นมาเป็นมาหยุดอย่าไปเป็นอารมณ์เลย เราภาวนาอย่างไงจิตของเราถึงได้ลงอย่างนั้นให้ยึดเอาอารมณ์นั้นเข้ามาสู่วงปัจจุบันแด่ไปคิดว่าเราเคยได้อย่างนั้นเคยเสื่อมอย่างนี้เคยขาดอย่างนั้นมาเป็นอารมณ์ไม่เกิดประโยชน์นี่ที่ผมพูดอย่างนี้มันเข้าเงื่อนเดียวกันปุ๊บเลยไม่มีผิดเพี้ยนไปได้คุยว่นน้หมูกันฟังอดูนีะบางครั้งก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นก็ก็ลงปุ๊บมันก็หายไปเลย ไอ้บางครั้งก็ไม่เคร่ต่างเวลามันม่คลาดกับกิบกเลสมันออกเพ่งพลาดกําลังกิเลสมันมากกำลังทำไม่พร้อมก็เข้าไม่ได้แต่การรู้สึกว่าจิตในขณะนั้นก็ผ่อนเต็มทีมันแต่ว่ามันไม่ขาดก็ยังมีสติอยู่ในจิตแต่ว่ามันไม่ลงมันไม่ขาดเป็นผ่อนเต็มที มัา ข, าขาดตอกข า, ขาดให้เรารู้ด้วยเชื่อระยะมสมาธิมันยังเป็นขอไม่แน่นอนมันยังจะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆเนี้ยจะมีเสื่อมได้ถ้าปฏิบัติผิดหรือนอนตายมันมีเสื่อมได้แล้วมีเจริญได้การรู้จิตก็จะล้งเลยครับผมก็มาได้ทีเป็นเด็กสมใจนอกจ า, ากนั้นแล้วก า, ารพิจารณาทางด้านปัญญาดังที่เคยสอนไว้ยที่างแ ให้มันได้ออกทางด้านบรรยาสิมันผิดกับสมาธิขนาดไหนมันรู้เองเนี่ยอ่ะมันจะรู้ด้วยมันจะยิ้มอยู่ในใจครับผมนั่นนี่ผมเทศวันนี้ไม่ก่อยเรียงลําดับเท่าไรนักนั่นแล้วคือความจริงมันอันเดียวกันมันไม่มีอดีตอนาคตนี่คือความจริงประกาศจำเด่นชาติภในหัวใจแล้วจะไปสงสัยอู้ย่อยไหนนั่น ถ้ามพวกเรานี้ได้ปฏิบัติถึงขนาดนั้นก็จะไปเห็นตัวอาจารย์และแจกแก้มาผมไม่อยา่างไรเห็นผมอละ่ะเห็ น, จนเจ้ <c oughs> าของนั่นแหละตั้งเพื่อขับร้องต้าปฏิบัติต้าเรื่องของผมไม่อะไรนั่นเห็นเจ้าของก่อนเมื่อหาผมไม่เจอผมจะถึงจะบอกอีก <c oughs> <c oughs> แต่ระวังนะเวลาผมบอก <c oughs> มันยังมีเงื่อนงอีกนั้นน่อะอสุดผมขอาการถามอีกครั้ง <c oughs> การที่จะ กำจัดกิเลสที่กขาบอว่าอางละเอียดอย่าละเอียดอนุใสที่มันนอนอย่างนั้นไอออนุใสนี้ตามที่พระเดชพระคุณอาารสอนเขาบอกว่าศาสตของมันมักระทบกระทั่งขึ้นมามันก็มีขุดขึ้นมาเหมืนน้ำใสขึ้นมาจะก่อนนอนกดทีนี้จะเอาทํามะอะไรครับมาสกัดตีน้ําขุ่นที่มันนอนก้นมาให้มันขึ้นมาปัญญา ปัญญาเป็นสารสม้มแปล ง, งไปเพียงเ่าสมาธิกดมันไม่นั่นแหละถ้ามันรุนแรงสมาธิกดไม่อยู่เดี๋ยวพาสมาธิพังไปอีกปัญญาทอนนั้นฟัดกันลงไปปีที่แล้วผมไปอยู่บ้านขอเดินตร่ๆอยู่มยความคิดว่าจะเอาธมาอะไรมาจรกดับกันอย่างนั้นใส่ให้มาให้กระทกระแทกออกมาผมก็เลยคิดขึ้นมาว่า ต้องมีสติด้วยต้องมีสมาธิเรื่องสตินั้นเป็นพื้นฐานอยู่เลยนี่ไม่พูดถึงก็คือพูดถึงนั่นแหละเรื่องสติน่ะเป็นพื้นฐานสําคัญมากทีเดียวก่อนที่ปัญญาจะเคลื่อนไหมสติต้องเป็นพื้นฐานอยู่แล้วปัญญาก็เป็นสัญญาไปได้ถ้ามันยังไม่ถึงขั้นที่ควรจะเป็นปัญญากรมกลืนกับสติคือมันมีขั้นนี้ะขั้นที่ปัญญาออกในขั้นเดิมแล้วนี่ปัญญามักจะเป็นสัญญาไปถ้าไม่สติตามนะ่น เพราะปัญญายังไม่เคยเห็นผลของตัวเองต่อเมื่อค่อยได้เห็นผลของตัวเองไปแล้วที่นี่เกิดความสนใจแล้วปัญญาขยับนี่เมื่อปัญญาขยับแล้วสมัตอีเรื่องสติก็ไปตามกันนี่สุดท้ายสติกับปัญญาเลยกลมกลืนเป็นเดียวกันแต่ถึงขั้นนี้มันมันหมุนนะ่ะเป็นอัตโนมัตินี่ขั้นที่ถูกบังคับอยู่นี่คือสติกับปัญญามันยังแยกกันอยู่ถ้าเราลึกไม่ทันปัญญาก็ทะเลจะไหลไปเสีย ไปเป็นทัญญาลงไปแล้วถูกกิเลสลากไปอีกนะพอมันถึงขั้นเข้าใจตัวเองในเห็นผลของตัวเองแล้วอั น, นี้มันก็สนใจจ่ออะไรมันอยากเข้าใจจมันสนใจจริงหมุนไปตามนี่สติคําว่าจ่อสติมันก็ไปด้วยกันนั้นไงก่อนต้องอบสติอืคําว่าอนุสัยก็คือความละเอียดของกิเลสนั่นแหละมันหมอบลงไปละเอียดลงไปละเอียดลงไปตัดปันมันลงไปเรื่อยเรื่อย อย่างที่ท่านพูดถึงเรื่องอ่าอุปกิเลสสิบหกนั่นเนี่ยอืมเมันอุพาสเป็นแสงสว่างเป็นอะไรๆมันก็เข้าในที่ผมพูดนั้นแนะแต่ผมพูดพูดธรรมะ ป, ปานี่ยไม่ค่อยจะเอาออุปาิเลสเรื่อนั้นนี่มาพูดหรอือแต่มันก็พูดเรื่องอุปกิเลสดีๆแต่ถ้านักปฏิบัตินักเรียนก็แจ้งแจ้งน่ากับปฏิบัติถึงนะครับผม น, นยังไม่ คือผมไม่ได้พูดภาคปริญตัตผมพูด้าอปฏิบัติภาคปริญตัตก็รู้แต่ว่า ม, มันมันก็เหมือนกับว่ามีดที่ถืออยู่กับมือกับมีดที่เหน็บพกไว้นี่มันต่างกันควา น, นี้มันมามันเสียเวลาอยู่กับมือนี่มันทุ่มเลยเลยแทงเลยส่วที่ปัญญาที่เกิดกับภาคปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นพุ่งเล ย, ท, เลยทันเลยทันเลยจะไปถอดมีดจะได้พกเขก่อนไม่ทันเหมือนปริญตัตที่เรา ในขั้นที่เราจะเอาปริยัติมาพิจารณาก็พิจารณาแต่ในขั้นที่จะไม่เอาปริยัติมามันมีนี่มันเกิดพร้อมเกิดพร้อมกับนั้นทันมันทันกันไม่งั้นไม่ทันเนี่ยถึงขั้นมันหมุนหมุนจริงแเห็นคนก็เห็นอย่างถึงใจเห็นคุณก็เห็นอย่างถึงใจเมื่อต่างอ่านอย่างถึงใจแล้วมันก็มาหนกําลังใจเพื่อความรอดพ้นไปเส้นนี่แหละดูแห่งเดียวนี่เป็นให้มีกําลังมากขึ้น ก่อนก็ไม่เคยคิดที่ว่าท่านเดินโยกมเป็นฝ่าเท้าแตกมาพอเราจะเดินโดยคานบังคับธรรมดาจนฝ่าเท้าแตกมาก็ยังไม่สมเหตุสมผลเดินเพราะความดูดดื่มเดินเพราะความเพลิดพนในความเพียรนั่นเหมาะพอถึงคันนั้นนะมันเป็นอย่างจริมันมันไม่ได้ดูพระทิตพระจันทร์ไมได่ดูเดือนดาตะวงตะวัน เมื่อแจ้งสว่างอะไรเลยมันหมุนติวตวอยู่ภายในเหมือนกับ น, น้ำมวยเข้าวงในกันใคยจะคำานึงว่ากำลังน้อยกำลังมากาคิดไปไหนไม่ได้เวลานั้นอันนี้ก็เหมือนกันมันหมุนมันติวติ ว, ตวเวลาเวลาไม่มีความหิวความกระหายไม่มีมีแต่จิตกับอารมณ์ที่มันฟัดกันอยู่นั้นเท่านั้นเ น, นี่ฝ่าเท่า มันจะไม่แตกได้ยังไงก็ฝ่าเท้ามันเป็นเครื่องมือไอ้นี่มันหมุนอยู่กับนี่ต่างหากที่มันก็ทําให้นานไปเองเดินเองเดินไม่หยุดมันก็ฝ่าเท้าแทกเพราะความเพียนหมุนอยู่ภายในอเพียงแบบความเพียนแบบหนุ่หนูอย่างผมนี่มันก็พอจะอามาเทียบพูดได้ก้าวกระโดดอยางกมในกิตขั้นนี้นั้นมันเป็นอย่างนั้นแล้วก้าวไปแล้วมันไม่มีเวลร่ำไม่ลาความหิวความหวยอะไรไม่มีเลยที่นเช่นอย่างหมาฟูหลีโว้ย สนใจมันอะไรอันนี้ก็ฉันไปอย่างนั้นแลอย่างทุกวันนี้ก็ฉันไปอยงนั้นแล้วยิ่งอย่างนั้นด้วยแล้วโอ้โหน้ํามันก็ไม่หิวอะไรมันก็ไม่สนใจมันมีอันเดียวเท่านั้นโน่นพอออกจากทางยุงกลมมองเห็นการน้ำโอ้โหมันจะโดดใส่ผึ่งเลยนะมันจะตายพอดื่มน้ำไปสําลักกะกะกะกะกะมันไม่ได้กินน้ํามันก็ไม่หิวมันมันลืมไปหมด พรความเพียรอันนี้มันหมุนตัวเป็นเปียวไปเลยมันเป็นอัตโนมัติอยู่ที่ไหนจนบางทีได้ลำพึงเจ้าของโอ้โหทไมเราไม่เคยคาดเคยฝันมันเป็นอย่างนี้ความพลาดของคิดนั้นกับความเพียนี้มันผิดกันเพราะ่าจิตใจมีความละเอียดละออนไปเท่าไรแล้วการงานก็จะลดน้อยถอยลงไปใจก็จะสบายคุณสบายขึ้นการงานก็จะน้อยลงน้อยลงใจก็จสบาย กิจระยาเข้าไปเท่าไหร่มันยิ่งจะมีความสะดวกกสบายมันกลับคูณข้ามยิ่งหมุนทั้งวันทั้งคืนหรือทำไมจึงเป็นอย่างนี้เมื่อไรมันจะได้สะดวกสบายกันเสียทีเพราะว่าแล้วมันก็ปุ๊บเหลืออีกเนี่ยจนกระทั่งมันไปหมดกําลังของมันแล้วมันก็อยู่ของมันเองที่นี่ขนาดนั้นมันไม่ได้คํานึงอะไรคิดดูตั้งพอตื่น ขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับมันเผลอเมื่อไหร่อย่างเนี้ยหาช่องเผลอมันเผลออะไรแน่มันเผลอไปกับอะไรนี่มันเหมือนกับว่าทักเราอย่างนั้นก็มันไม่เผลอมันเป็นเองนั่นนี่ยที่ว่าท่านท่านพูดถึงสติมหาวสติมหาปัญญาในทางพุทธการคือสติปัญญาอัตโนมัติมันเป็นงมันเองอันนี้มันก็เป็นสมมุตินะนะทําไมถึงว่าเป็นสมมุติก็ถึงเวลาที่มันจะ ภาคตัวเองมันก็ภาคของมันเองสติปัญญาแบบนี้มันก็ไม่มีเมื่อถึงเวลาที่มันจะไม่มีแล้วมันเป็นความเหมาะสมของแต่ละอย่างละอย่างอันนี้ก็เป็ น, มปญญปนมสมมติปัญญาเป็นสมมุติสติเป็นสมมตินี่มากแก้สมมุติด้วยการคือสมุทัยเป็นสมมุติสมุทัยมันฝ่ายฝ่ายชั่วมากเป็นฝ่ายดีสติปัญญาเป็นเป็นฝ่ายแก้ยิ่เรศเป็นฝ่ายผูกมัดเนี่ยมันแก้กั น, นพออันนี้หมดปัญหาน้ำกบปัญหาไรต่างตางกันที่ท่านพูดถึงเรื่องพระอรหัน ท่านเป็นท่านมีสติวิปุราหนั้นท่านยกลับสมมุติต่างหากเรมีคนมาฟ้องพระอรหันต์ว่าท่านเป็นสังฆาปราชิอะไรก็แล้วแต่เถอะพระพุทธเจา้าเป็นประธานท่านรับสั่งว่าโอ้จะไปฟ้องร้องเธอสิเธอเป็นสติวิไนแล้วหว่างนั้นยกออกมาพูดเฉย ก็คือหมายเอาความบริสุทธิ์อันนั้นมันพ้นจากสมมุติทั้งหมดแล้วการร้องการฟ้องเหล่านี้เป็นเรื่องสมมติทั้งมวลคิตอันนั้นมันพ้นไปแล้วจะเอาอะไรมาเป็นอันนี้ได้กลวิมายว่างั้นทา่านก็ยกเอาสติวิญญาณขึ้นมาเสียท่านั้นเนี่ยนี่ทา่านก็ยกขึ้นมาเป็นสมมติพื้นฐานนจริงๆของหลักธรรมชาติแล้วกับสมมุติทั้งหลายหรือกับสิ่งที่เขาหาเรื่องทั้งหลายนั้นมันเข้ากันไม่ได้ว่างั้นเลยนะมันเป็นคนละโลกอยู่แล้วถ้าเป็นโลกแต่นั้นไม่ใช่โลก เดี๋ยวท่านตั้งยิ้ว่าโลกุตะโลกุตละธรรก็มุคาทําเหนือโลกเองพูดอะไรมันก็ไม่ท่านท่านสนิทใจแต่ว่าทาเหนือโลกถูก<ฮ>อุตละก็แปลว่าสูงโลกะโลกโลกุลกตละธรรมธรรมสูงที่นี้เวลาเราเอาเอาความก็ทาเหนือโลกวางเงนเหนือโลกก็คือเหนือสมมติตั้งแต่โสดาเศร ก, กิจทางไปเรา ทำสูงก็ถูกถูกไปเรื่อยๆพอถึงขั้นอวาระสุดท้ายที่พ้นจากโลกไปแล้วก็บอกทำเหนือโลกไปเสียเ<ม>พราะแปรไปตามขั้นของธรรมคือธรรมอันนี้สูงกต่ยังไม่พ้นจากโลกโซดาสกิทคารนาคารยังไม่พ้นจากโลกเาีสมมตุติก็ว่าโลกุตลาโลกุตราสูงสูงสู ง, สงหรือว่าสูงประเดิมดับเนี่ยพอถึงขั้นอนณาตภูมิแล้วก็บอกทำเหนือโลกเลยคือเหนือไปหมด สูงก็ยังไม่มีกมําหนดก็ยังหากําหนดกฎเจนไม่ได้เพราะว่าเนื้อลกเราไม่รู้กันชัดเจนว่ามันเนื้อหมดแล้วนะ่ะสามขั้นนี้จะเข้าจับตสมุทัยได้นะครับฮะสขั้นสมมุติมีอยู่ตรงท่านสมมุตมิ ม, ม, ตมีอยู่ก็เป็นส ม, มุทัยไดอย้อยู่นั่นแหละผ่านนาคาเนี่ย ก, ก็มีส ม, มุทัยตามขั้นของพัา้นาคาโชดาสกิธาอนาคายังมีสมมุตมิยังครองใจอยู่นี่ มื่สมมติยังคลองใจกิเลสประเภทละเอียดตามขั้นของธรรมตามขั้นของจิตตามขั้นของกิเลสจะไม่คลองใจได้อย่างไงเมื่อผ่านนี้หมดแล้วทีนี้ไม่มีแล้วที่จะ อ, อะไรจะไปคลองใจไม่มีหรือว่าอาวกาศของจิตก็ได้เวิ้งว้างหมดเลยมันติดอะไรจิตนี่ฮะมันก็ติดสมมตินั่นเองผ่านอันนี้ไปแล้วมันติดอะไรมันไม่ติดอะไรนี่ถ้าไม่จะว่าเขาทำไมรักษาสมมุติ แล้วพูดไปแรกกงเป่งเป่งไปเลยตามความจริงเลยทีนี้โลกมันมีสมมุติแล้วก็พูดมีสูงมีต่ำเป็นธรรมดาแต่ตามโลกตามสมมติแต่เราจะพูดตามหลักธรรมชาติได้จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรน่ากล้กาหาันนี่เพอาะเรื่องกลัวเรื่องกล้าเรื่องอายไม่อายเหล่านี้มันเป็นเรื่องของสมมติทั้งหมดคิดตรงนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้นี่เนี่ยเป็นความจริงด้วนๆกับความจริงมันจรงเข้ากันน่าสนิทสนินี่น พูดตามความจริงพูดตามความจริงเีนี้โลก็มีสมมติมันก็ต้องเป็นไปตามสมมติเพราะธาตุขนันเราก็เป็นสมมตุติยังเกี่ยวกับสมมติอยู่ก็ต้องปฏิบัติตามสมมตุมมติเท่าที่ควรเพราะนั้นจึงมีสูงมีต่ำถ้าเราจิตดวงนั้นไม่มีอะไรมามีโหไม่มีอะไรติดอะไรข้องไปเทียบแบบสมมุติเราเรียกว่าอวกาศขึ้นหมดความดึงดูดแล้วก็ พุ่งไปตัวได้เต็มที่เหมือนอย่างยานอาวกาศเขานะั่นเมืมีอะไรดึงดูดกดถ่วงแล้วไปพุ่งไปได้เต็มที่นี่จิตไม่มีอะไรดึงดูดสมมติมันหมดแล้วกไปได้เต็มเหนียวแล้วถ้าจะไปถ้าตัางใจไป <c oughs> ไม่เหมือนไม่เหมือนจรวดเขานี่พูดเทียบไม่เฉยจิตจะไปไหนจะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนถ้าไม่ได้สนใจกับความว่าอยู่ ความว่าไปยิ่งกว่าหลักธรรมชาติที่ปรากฏอยู่เท่านั้นแน่ให้มันเหมือนสมมุติจริงๆมันไม่เหมือนนะก็เที่ยวกันไปเย่านั้นอย่าให้มันเหมือนจริงๆก็คือเจ้าของรู้ก็แล้วกันนี่นะใครรู้ก็แล้วมันกระหมดปัญหาเนี่มีเท่านั้น่ะพูดได้ไม่ได้มันก็มีไม่มีปัญหาแน่ไม่มีอะไรมาไปดูภาษาขอให้รู้เถอะพอรู้แล้วกระหมดปัญหาไปทันทีเลย แล้วอะไรจะมาเป็นปัญหาต่อจิตของมันมันไม่มีเรื่องปัญหาทั้งวลก็คือเรื่องสมมตินั่นแหละนี่หมดล่างแล้วปัญหาหมดแล้วพูดละมันสุดๆจนเส้ยถึงแปลว่าตายเราจะไปเกิดที่ไหนมันก็หมดไปเส้ยความกลัวเป็นกลัวตายไปไหนมันก็หมดไปเส้ยกลัวอะไร กล้าอะไรเนี่ยถ้าอยากมารู้ร่างกายนี่กับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกันเนี่ยส่วนดินกับส่วนทั้งแข็งก็เป็นดินเนี่ยก็เหมือนดินนั่นส่วนอ่อนก็เป็นน้ํำเหมือนน้านั่นเท่านั้นก็คือน้ําอยู่ในนี่ก็เป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟก็ไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเขาไม่ได้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเขาเอามาให้ชื่อตีอางๆเมื่อรู้ก็ ร, รู้ตามความจริงนี่ ไม่รู้ตามความจริงนี้แล้วจะไปตื่นมไม่อะไรจะเป็นจะตายก็คือ ธ, ธาตุส่วนความจริงของมันเป็นแต่และอย่างละอย่างมันฉลายไปสู่ความจริงของมันตามเดิมเท่านั้นจิตจะไปได้ไปเสียอะไรจากกับมันเนียอยู่ด้วยกันก็ไม่เห็นมีอะไรได้เสียจากกันอันนี้สลายไปแล้วจะไปมีได้มีเสียอะไรจากสิ่งอันี้มันไม่มีเพงได้พูดว่าบรรดาวัคคีนาสพทั้งหลายท่านถ้าากว่าพูดโดยลําพังหลักธรรมชาติของท่านแล้วความไปอยู่ความตายไปจะมีน้ําหนักเท่ากันนี่ย เพราะท่านอยู่กับความจริงถ้าไม่อยู่กับความเป็นอยู่และความตายไปนี่นะท่านอยู่ความจริงถ้าาว่าอยู่ท่าอยู่ความจริงความเป็นอยู่กับความตายไปต้งมีน้ำหนักต่อกันถ้าจะพิจารณาคิดออกไปถึงแง่ประโยชน์ของโลกว่ามีชีวิตอยู่ก็ได้ทำประโยชน์ให้โลกอย่างนั้นนานๆแต่ตายลปเสียการทําประโยชน์ให้โลกที่ควรจะรับประโยชน์มากน้อยก็ หากสาพเดินตามกันนี่ความเป็นอยู่ก็มีน้ำหนักมากกว่าเพราะท่านคิดเทีเยบเท่าต่างหาไม่ได้คิดด้วยความอยากอยู่อยากไปถ้าไม่อยากามันอยากกระวนใจอยากหาอะไรเนมันไม่อยากมันสมบายที่สุดแล้วจะไสอบหาอะไรความอยากมันขึ้นแังมาไปเป็นไงพระใหม่เทศวันนี้เข้าใจเปล่าว่ะ เข้าใจเหรอต้องขออภัยนะพระปามเทศอย่างนี้นะมันเทศอย่างนี้มาเป็นประจํานะอืมบงเบ้งบงเบง้บงเนี่การสู้พิเรยมันต้องเอางั้นดิพิเลยผลมาธรรมะผลไปนี่ผลมาธรรมะหมอบล่าแล้วเสร็จอืไม่ไหวอย่างนั้นเสร็จไปพวกเรานี่มีแต่พวกที่เดยผลมาพวกเราหมอบเลยอหมอบพระอะไร พาันพันกันลงเวทีนม่มีอะไรอีกแล้วเนี่ยจะไม่มีกันเรื่องนะพูพ่ตัวคู่มาก็จะเหนื่อยเขาอีกเน่ยขออย่งนี้ก็ขอเถนะอนะยังไม่ได้บายใจก็พาราทรายนักหนึ่ถึงยังไม่ให้ขอนะอ น, นีมนน่มันดินมันดิ่ดเหมือนลิงมันจะตายแล้ว น, ลนะเนี้ผมผู้ปกครอ ง, งยังไม่ให้นิสยัยเราจะผิดอะไรไป ดูกันไปว่ากันไปอย่างนี้ uh huh.